จะเลิกยุ่งกับข้าสักทีเหรอตราบใดที่พี่ยังไม่เลิกเพ้อเจ้อฝันลมๆแรงๆแล้วก็ฉันก็จะตามรังควานพี่ร่าไปงั้นแหละโรคจิตหรือไงใช่แล้วฉันโรคจิตแต่ก็ยังดีกว่าพี่แหละวะข้ายังงงอยู่เลยรู้ดีอยู่แล้วนี่นาข้าไม่รู้ปากบอกว่าไม่ได้คิดอะไรเห็นสีลามีความสุขตัวเองก็มีความสุขไปด้วยแต่ความจริงที่เห็นอยู่ในขณะ น, นี้มันไม่ได้เป็นอย่างที่พูดเลยสักนิดเดียวข้าเป็นยังไง ลูกลี้ลุกลนทำอะไรไม่ถูกอยากจะตามหาศีลากับคุณเทพใช่พูดถูกต้องไหมล่ะสู้รู้ก็เป็นจริงไหมล่ะก็แล้วแต่เองจะคิดนะฉันขอร้องละพี่ขอร้องอะไรเลิกฝันลมๆแรงๆสักทีเหอะแล้วหันมาสนใจคนที่เขาสนใจพี่ไม่ดีกว่าเหรอเองหมายถึงใครก็ใคร ล, ล่ะที่พยายามจะอยู่ใกล้พี่ตัวเอง เ, เหรอก็ใช่โอ้ยฝันไปเถอะ หน้าอย่างนี้ไม่มีวันได้ค่าทำผัวเด็ดขาดรับรองพี่สุเวพี่ดูถูกจนเกินไปแล้วนะ ทำไมจะทำไมข้าพี่สุเว์เป็นคนที่หยาบคายมากๆรู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยบุเกอเองไม่รู้นิสัยข้าหรือไงข้าพูดเพราะต้องการจะแย่งเองเล่นเฉยๆข้าไม่เคยเห็นเองอ่ะเป็นคนอื่นเลยนะแต่ว่าถึงข้าต้องผิดหวังเข้าก็ยินดีไงขอเพียงแต่คนที่ข้ารักมีความสุขกับสิ่งที่เขาเลือกยอมเสียใจคนเดียวหรือไงอข้ายอมร้องไห้คนเดียว ย่งมากก็แค่ร้องไห้เสียใจอีกเนึ้อชินไปเองพี่สุเวพี่ทําอย่างนี้ทําไมอ่ะทําไมอ่ะทําไมจะทําให้ได้ฮ้อก็ทําไมพี่สุเวไม่ตัดสินใจหรือไม่ตัดใจซะแต่วันนี้ล่ะทําไมต้องตัดใจด้วยล่ะรักกันไม่จมําเป็นต้องอยู่ด้วยกันเสมอไปหรอกแน่ใจเหรอพี่แน่ยิ่งกว่าแน่สิอีกนึงจะบอกให้โธ่พี่สุเวแล้วเองอะฉันทําไม ก็ถ้าชาตินี้ข้าไม่สนใจเองแล้วเองจะทำยังไงเองจะครองโสดจนแก่เท่าไม่ยอมเสียผีกับใครโดยเด็ดขาดอย่างนั้นเหรอไม่รู้สิฉันไม่รู้เองต้องรู้สิฉันไม่รู้อ่ะเองร้องขึ้นทำไมพี่สุเว้าว <c oughs> เข้ามากอดข้าทำไมปล่อยแค่นั้นดูใครมาเห็นเข้าจะเสว่าเราสองคนในเสียผี <c oughs> พี่ไม่ต้องเอาคำว่าเสียผีมาอ้างหน่อยเลย ที่รังเกียจฉันใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่อย่า ง, งานั้นสักหน่อยก็ถ้า อ, อย่า ง, งานั้นก็ให้ฉันกอดพี่ไว้นานๆเธอนะฉันขอร้อง<ด>นะโอ<ด>้ยบูกเก้นุ่นพเพิร์กขี่ม้ามันทนุรักษ์ปล่อยขันทนาน่าปล่อยสิบอกให้ปล่อย ไม่ปล่อยข้าลักนะติเอ๋อ๊ยพี่สุเอ่ะเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยจริงๆนะอยากไล่ฉันทั้งใบแล้ว ก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยสุเวครับคุณเทพชวนขี่ม้าเที่ยวป่าเที่ยวดอยก็ยอมไปด้วยเชิญคุณเทพตามสบายครับผมน่ะเที่ยวจนเบื่อแล้วผมเกิดที่นี่โตที่นี่นึกภาพเห็นหมดแล้วว่าต้นไม้ต้นไหนอยู่ตรงไหนรากต้นไม้เป็นยังไงอะไรผมนึกได้ออกหมดเลยล่ <laughs> ะเอะ้ยี้ย ม, มากเลยนะนายอ่ะคุณเทพ <laughs> ก็เยี่ยมไม่แพ้ผมนะฮะฉันน่ะเหรอครับ อ๋ฉันน่าไม่ได้เรื่องเราซูเวอ๋อบูเก้ค่ะคุณเทพไม่ขี่ม้าเที่ยวดอยด้วยกันนะไม่ไหวอ่ะค่ะคุณเทพอ้าวทำไมถึงไม่ไหวอะเที่ยวดงเที่ยวป่าเนี่ยเหนื่อยมากค่ะฉันอยู่กับบ้านดีกว่าก็น่าจะไปสนุกด้วยกันอยากให้ไปอะอขอบคุณค่ะแต่คุณเทพไปกับศีลาสองต่อสองก็ดีอยู่แล้วนี่ค่ะให้ฉันไปก็เหมือนกับเป็นก้างขวางคอเปล่าๆพูดอะไรอะบูเก้ ก็มันจริงนี่นะจริงจรงอะไรกันเล่าพูดไปเรื่อยเลยเธอเนี่ยก็ฉันไม่เอาไม่พูดด้วยละกลับบ้านดีกว่าฉันหิวแล้วล่ะเอเอเาสิตัวขี่ไปก่อนเลยค่ะไอ้นี่พี่สุเวจะ้มเดี๋ยวกลับไปกินข้าวด้วยกันนะฉันจะทํากับข้าวรออไม่ต้องรอหรอกนะศีล่าทำเสร็จก็กินหุนเทพไปก่อนแล้วกันฉันว่าจะ ไ, ไปดูแปลงผักทางด้านโน้นหน่อยอา้าวทาไมต้องไปตอนนี้ด้วยล่ะขาดวันประกันพรุ่งมาเป็นอาทิตย์แล้วอ ตามใจพี่ละ ก, กันเั้นจะนํากับข้าวเสร็จไม่รอนะจ๊ะจ้ากินไปก่อนเลยจ้าบูเกล่ะฉันทําไมหรอไปกินข้าวบ้านฉันมาไม่ละไม่อยากไปเป็นก้างขวางคอใครแล้วนะบูเก่ก็ฉันงั้นฉันไปก่อนนะจ้าไปเฮอะเย่ <Yeah. S 3> รอฉันด้วยสิแม่สลียที่รักเย่แ yeah. ม่สลียที่รักรอด้วยจ้าคุณแท่นนี่บ้าไปแล้ว เรื่องเลยมาเปรียบฉันเป็นแม่เสลียงเล่าไม่ดีเหรอคชั่วดีออกนะแม่เสลียงที่รักยอดใจเยียงของฉันนะ่ะโอ้ยนี่คุณเทพจะบ้าไปแล้วแน่ๆนเลย <c oughs> แม่เสลียงที่รักโถเอ้ยมันไสโวยโอเค <c oughs> <c oughs> ติดตามรับฟังรายการละครวิทยุแม่สเสียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment แต่อยู่ในความทุกข์ใจทัทนที่ใจของเขาร ก, กรกอเป็นความสวยงามที่อคมีฝันแล้ววันนึงกลับพังลย คือของขวันจะฟ้าหรือคือคำสาคือยาดฝนชำเย็นหรือร้อนเป็นไฟอยากจะรู้ว่าคืออะไรนั่นคือความรักที่มา เั่นไรยังคงไม่รู้ไม่เคยเข้าใจนั่นคือความรักใช่ไหมที่ส้างสูงทุกอย่างคือความรักใช่ไหมที่ลบเลือนทุกสิ่งและทำให้ใจ a m t e i จากฝ้าหรือคือคำสาคืออยาดฝนช่ำเย็นริร้อนเป็นไฟอยากจะรู้ว่าคืออะไรนั่นคือความรักที่ไม่ที่วัดรอยอยิ้ได้คือความ ที่หลายคนรอคอยความรักแท้จริงเป็นเช่นไรยัรงคงไม่รู้มิเคยกูใจเด่นคือความรักที่ไหมที่สร้า ง, งทุกอย่างคือความรักใช่ไหม และทำให้ใจตุ่งร้าวรายทำลายหมดทุกๆอย่างไม่เหลือเลยทำลายหมดทุกๆอย่าง เธอคงมองสืงถึงใบตร้เธอคงมองสืงถึงความหวังดีที่มีเรื่องมาสู้รอรอแล้วรอแล้วรอไม่สิ้นรอจนกใกลดับ ท, ทุ่มทั้งแผ่นดินแผ่นฟ้า มองไม่ซึ่งถึงสายตาเธอมองไม่ซึ่งถึงความบูชาเพราฉันสรัทธาเพียงดดน้ำหยดลงทินทุกวันหินมันยังร่อนแต่หัวใจอ่อนๆของเธอทำด้วยสิ่งใดฉันไม่สะทกสะทานสะเทืน Just let it go. We've been w a i t i n o for. จังไม่สัตทบสทานสะเทือนเหมือนหัวใจจงไม่หวั่นไหวว่าใครเขารักเขารอเสียงลมลมหายใจของฉันมื่อไรเธอคงจะต้อง พอใครกันรอแล้วแล้วยันฝ oh ้ารอชว์รอเขารอชว์รอเขา เท่าไรไม่กลัวจะเปรีนน้ยงฝนเท่าไรก็ยอมฉันหวังแค่ให้มีคนที่ฉันรักยืนคอยตรงนั้นก็ชื่นใจอยากให้รักจริงๆสักทีไม่ว่าร้ายว่าดีฉัน เพราะวหมดทั้งตัวและใจ i n t o v e t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 รับฟังรายการละครวิทยุแม่สซเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment ทำไละฉันหมั่นไส้ที่ไม่หมั่นไส้ก็เรื่องของพี่สิฉาเขาเลยสิแล้วพี่อ่ะทําทไมไม่รู้สึกอิจฉาหรือไงทำไมต้องอิจฉาด้วยคดิใจด้วยซ้ําไปเทียนพวกเขามีความรักนะพูดจริงเหรอจริงสิไม่ค่อยอยากจะเชื่อเลยก็แล้วแต่เองไม่ได้ขอร้องให้เชื่อโถเอ้ยทําไมเขาว่าเองเข้าขั้นบ้าแล้วรู้ไหมนี่อย่ามาหาว่าฉันบ้านนะฉันไม่ได้บ้าสักหน่อยนะไม่อยากพูดด้วยแล้วไปดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ยมาล้างแขนไม่ทําไมแล้วอย่ามากอดขึ้นอีกนะจะบ้าหรือไงใช่ไม่บางอาจพี่หรอกนะฉันไม่ใช่ผู้หญิงใจง่ายนะจะบอกให้ก็ไม่แน่เรกไม่แน่ยังไงเกิดึงอยากฟัดข้าขึ้นมาเอาข้าทําผัวล่ะนี่เนี่เอ้ยตีซะเลยพูดออกมาได้เออตอบแขนข้าทําไมอ่ะก็อยากมาพูดแบบนี้ทําไมอ่ะไหนบอกสีลาว่าจะไปดูแปลงผักไงล่ะก็กําลังจะไปอยู่นี่ไงปล่อยมือเขาสิ พี่แน่ใจเหรอว่าแปลงผักของพี่ไปทั้งนั้นน้าคือว่าเออนั่นไงนั่นไงนั่นไงพี่น่ะไม่ได้ตั้งใจจะไปแปลงผักหรอกแต่ไม่รู้จะปลีกตัวยังไงก็เลยพูดส่งเดตไปยังงั้นเอง อ, อย่าสู้รู้นะแน่นอนไม่ต้องพูดมากคนระัปล่อยแค่เดี๋ยวนีเออ้เออเอปล่อยก็ได้อ่ะไปสิอย่าตามมันนะไม่ตามแน่นอนดีมากนี่พี่ซูเวอร้อยระวังนะ เดี๋ยวจะอกแตกตายซะก่อนมวยจะทำตัวเป็นพระเอกในละครน่ะเรื่องของข้าเองไม่เกี่ยวโธ่เอ้ยปู่แ่ไว้เสียงใครอะใครข้าเองอ้าวมูซอมาได้ไงล่ะเนี่ยมาแอบดูอยู่นานแล้วละ่ะงั้นก็หมายความว่าเองเห็นพวกเขาแล้วไอ้หนุ่มบางกอกกับศีลาอเอ็งแนะนำทีสิข้าควรจะทำยังไง ถึงได้สีลามาทำเมียก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นน่ะในตอนนี้ทำไงอ่ะโุดค่ะบูเก้คุณได้รับข้อคิดอะไรบ้างจากการรับฟังละครที่จบไปแล้วนี้โปรดเขียนไปสนิยบัติหรือจดหมาย